ชีวิตของพวกเรามีสองส่วนสององค์ประกอบด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจร่างกายเป็นส่วนที่เรามองเห็นจิตใจเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นทั้งร่างกายและจิตใจตาม หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่งค้นพบว่าทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจส่งค้นพบว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนจิตใจเป็นธาตุรู้ไม่มีใครไม่มีตนธาตุรู้มีความคิดมีความรู้สึกนึกคิดที่คิดไปเองว่าร่างกายเป็นตัวตนคิดไปเองว่าจิตใจเป็นตัวตนเป็นเรา เป็นของเราแต่ความจริงแล้วทั้งร่างกายและจิตใจไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารไม่เป็นเราเป็นธาตุธาตุสี่คือร่างกายร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ส่วนใจเป็นธาตรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วไปนึกไปคิดเอาเองว่าใจเป็นเราเราเป็นใจไปคิดไปเองว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายอพอไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราก็เลยเกิดความลักเกิดความหวงขึ้นมา ออร่างกายนี้มันจะจากเราไปเราก็เลยทุกกันไม่สบายใจกันเพราะเราไม่อยากให้มันจากเราไปนี่แหละคือความจริงของชีวิตของพวกเราความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากความหลง ของใจผู้รู้ผู้คิดที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราใจเป็นเราเป็นของเราใจไปคิดว่าร่างกายเป็นเราใจก็เลยอยากให้ร่างกายอยู่กับใจไปตลอดเป็นของใจไปตลอดแต่ธรรมชาติของร่างกาย มันเป็นของชั่วคราวมันมาได้เพราะมีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมารวมกันรวมกันตอนไหนก็ตอนที่มีการตั้งคันในท้องแม่นี่ตอนที่เริ่มมีการตั้งคันเนี่ยเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เนี่ยที่สมัยนี้เ้าเอาธาตุสีของแม่คือน้ำหยดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอาธาตุสีของพ่อน้ำอีกหยดหนึ่งมาผสมกันผสมเทียมเนี่ยผสมในในห้องดแบบับ แล้วพอธาตุสี่ของพ่อกับธาตุสี่ของแม่มารวมกันมันก็เริ่มขยายตัวนจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดเราเรียกธาตุเหล่านี้ว่าเซลล์ตัวเซลล์ภาษาภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์หรือเซลล์เอาเซลล์ของพ่อกับเซลล์ของแม่ มาผสมกันแล้วก็ให้มันเริ่มขยายตัวพอเซลล์สองตัวมาพบกันมันก็ขยายเป็นสี่ขยายจากสี่ก็ขยายเป็นแปดขยายไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเอาธ า, าตุสีมาเติมในท้องแม่ ท้งแม่นี่มีธาตุทั้งสี่อยู่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็พวกแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในเลือดเนี่ยในเลือดนี่มีธาตุดินผสมอยู่ด้วยมีธาตุน้ำผสมกันแล้วก็มีธาตุลมคืออากาศ ลมหายใจลมที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายมันก็ส่งไปตามเส้นเลือดต่างๆเนี่ยในร่างกายของพ่อของแม่เนี่ยมีธาตุทั้งสีแล้วพอธาตุของสี่ของพ่อกับของแม่มาผสมกันก็เลยสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเอร่างกายอันใหม่นี้ก็ทํามาจาก ธาตุสีในร่างกายของแม่เนี่ยแม่ก็เอาร่างเอาธาตุสีจากข้างนอกเข้าไปใช่ไหมลมหายใจที่แม่หายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมฮอพวกน้ําต่างๆเครื่องดื่มต่างๆน้ําแกงน้ําอะไรต่างๆนี้ก็เป็นธาตุน้ำฮอพวกที่เป็นของแข็งฮอพวกข้าวพวกผัก พวกเนื้อสัตว์ก็เป็นพวกที่เป็นธาตุดินแม่เอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจากข้างนอกเอาเข้าไปในร่างกายแล้วก็พอเข้าไปในร่างกายก็เอาไปเสริมร่างกายคือทารกที่อยู่ในท้องแม่ ให้ขยายตัวให้เจริญต่อๆขึ้นมาอ ต, ตอนนั้น เ, เซลล์ที่เริ่มก่อตัวจากสองเป็นสี่นี่ตอนนั้นพอเริ่มมีอวัยวะต่างๆก็เป็นไม่รู้กี่ล้านตัวแล้วอมันขยายตัวออกไปเรื่อยๆ เ, อเซลล์นี่มันขยายเพิ่มนล้วมันก็ไปสร้าง อาการต่างๆในร่างกายขึ้นมาไปสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างหนังสร้างเนื้อสร้างเอ็นสร้างกระดูกสร้างอวัยวะสร้างปอดสร้างตับสร้างไตสร้างลำไส้สร้างหัวใจสร้างสมองแล้วก็สร้างน้ำต่างๆในร่างกาย น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำเสลน้ำมันค้นน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมูกน้ำมูดอันนี่คือมาจากธาตุสีเท่านั้นมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เข้าไปในร่างกายผ่านทวารต่างๆ ธาตุลมก็เข้าไปทางจมูกเนี่ธาตุน้ำธาตุดินก็เข้าไปทางปากเน่ธาตุไฟก็เข้าไปตามร่างกายเน่อากาศร้อนอากาศเย็นใช่เวลาธาตุไฟมากก็ร้อนขึ้นมาเวลาธาตุไฟน้อยก็เย็น มีแต่ธาตุทั้งนั้นอ้าเราศึกษาแบบนักวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นการรวมตัวของธาตุสี่ทำให้มีอาการสามสิบสองขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีตับมีหัวใจ มีปอดมีไตมีดำไส้มีสมองนี่คืออวัยวะต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายล้วนทรมาจากธาตุสีคือดินน้ำลมไฟที่ได้มาจากพ่อและจากแม่คนละหนึ่งหยดเท่านั้นเอง ธาตุสี่ของพ่อกับธาตุสี่ของแม่มารวมกันคนละหนึ่งหยดพอรวมแล้วก็เริ่มขยายตัวจากหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจากสองก็ขยายเป็นสี่จากสี่ก็เป็นแปดขยายเพิ่มทีละสองแปดเป็นสิบหกเป็นสามสิบสองเป็นหกสิบสี่ขยายไปเรื่อยๆ แล้วเซลเหล่านี้ก็ไปสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฝันใช่สร้างเนื้อสร้างเอ็นสร้างกระดูกต่างๆนี่แหละคือร่างกายของพวกเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายเรานี้ออกมาจากความนึกคิดของใจใจนี่ก็เป็นธาตุรู้ในธาตุรู้นี่ก็มีสี่ ส่วนด้วยกันมีสี่ก็เรียกสี่อาการในธาตุรู้นี้มีสี่อาการคือหนึ่งเวทนาความรู้สึกสองสัญญาความจำได้หมายรู้สามสังขารความคิดปรุงแต่งสี่วิญญาณการรับรู้ รับรู้อะไรรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาจากตาหูจมูกลล้นกายเ mm hmm. นี่ยใจมาเชื่อมกับร่างกายด้วยวิญญาณตัวรับรู้น mm hmm. วิญญาณนี้จะเป็นเหมือนกับสายไฟที่เราเสียบเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ mm hmm. เราต้องการจะให้ไฟ หลอดไฟมีไฟติดขึ้นมาเราก็ต้องมีสายไฟเชื่อมหลอดไฟกับเชื่อมปลั๊กไฟเพอเราเอาปลายหนึ่งไปติดกับหลอดไฟเอาปลายอีกปลายหนึ่งไปติดกับปลั๊กไฟไฟมันก็วิ่งจากปลั๊กไฟเข้ามาที่หลอดไฟทำให้หลอดไฟนี้มีแสงสว่างขึ้นมา ดวงวิญญาณก็คือสายที่เชื่อมตากับรูปนี่ตาตากับใจตากับใจใจตาก็ไปเชื่อมกับรูปภาพที่เห็นพอพอตาเปิดขึ้นไปเห็นภาพภาพมันก็วิ่งมาที่วิญญาณวิญญาณก็เป็นตัวที่รับเอาภาพส่งมาให้ที่ใจ คือผู้รู้เนี่ยคือนั้นวิญญาณนี้เป็นเหมือนสายไฟห้าเส้นด้วยกันไปเกาะที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเพื่อที่จะได้รับรูปจากตามาให้ใจรับเสียงจากหูรับกลิ่นจากจมูกรับรสจากลิ้นรับผดทพะคือ สิ่งที่มากระทบกับร่างกายเช่นความร้อนความเย็นแล้วมันก็วิ่งไปตามสายเหมือนสายเหมือนกระแสไฟฟ้าเห็นไเห็นมเวลาเราเสียบสายไฟเข้าไปที่ปั๊งกระแสาไฟมันก็วิ่งเข้ามาที่หลอดไฟหรือเข้ามาที่เครื่องเครื่องชาร์จไฟเห็นไเวลาเราชาร์จโทรศัพท์นี่เราใช้สายไฟ สมัยนี้ก็มีระบบแบบไร้สายไม่ต้องใช้สายแต่ใช้สัญญาณวิทยุแทนแต่ก็สัญญาณวิทยุก็เหมือนกับวิญญาณนี่ดีๆวิญญาณนี่ก็เป็นเหมือนไร้สายมันไม่มีสายมันเป็นเหมือนสัญญาณวิทยุเราจึงมองไม่เห็นสายต่างๆมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณนี้มันเชื่อมกับร่างกายด้วยระบบไร้สาย เหมือนกับเวลาที่เราสมัยนี้ชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายมันเชื่อมอมันนี่คือการเชื่อมต่อระหว่างธาตรู้กับธาตุสีคือดินน้ำลมไฟคือร่างกายเชื่อมด้วยวิญญาณกระแสวิญญาณกระแสวิญญาณ น, นี้มันเหมือนกับกระแสที่เราใช้ชาร์จ แ, แ, แบตเตอรี่ ไม่ต้องมีสายมันเชื่อมเข้าหากันจึงทำให้เวลาร่างกายเห็นรูปเวลาตาเห็นรูปใจก็รับรู้ว่ามีรูปเนี่ยพอรูปเข้ามาที่ใจแล้วสัญญาก็มาทำหน้าที่แทนเป็นเหมือนผู้มารายงานให้ใจรู้ว่ารูปนี้เป็นใคร พอสัญญาเป็นผู้เก็บข้อมูลต่างๆไว้เคยเห็นรูปคนนี้หรือเปล่าถ้าเห็นรูปคนนี้ก็จะอยู่ในอยู่ในข้อมูลรูปคนนี้เป็นใครเป็นพ่อหรือเป็นแม่ส่วนใหญ่รูปแรกที่ร่างกายจะเห็นก็คือรูปพ่อกับรูปแม่ใช่ไหมจะเห็นบ่อยที่สุดก็คือรูปพ่อกับรูปแม่พอเห็นปั๊บก็จะรู้ว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่ ถ้าเป็นคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็จะจำไว้ว่าคนนี้ไม่เคยรู้จักเคยเห็นพอเห็นครั้งที่สองก็จะจำได้ว่ า, เ, าเคยเห็นแล้วคนนี้แลาจะจำได้ว่าคนนี้ดีกับเราหรือไม่ดีกับเร า, เาบางทีเจอหมอนี่มาฉีดย า, ารู้ว่าคนนี้ไม่ดีเจอคนนี้เท่าไรเจ็บตัวทุกที พอมันเจอพอมันรู้ว่าเป็นใครแล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาต่อคนที่เราเห็นถ้าเห็นคนที่เขาดีกับเราก็เกิดอะไรสุขเขวทนาขึ้นมาความรู้สึกสุขขึ้นมาพอไปเห็นคนที่ทำไม่ดีกับเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขหรือเกิดทุกข์แล้วมันก็เกิดอะไรตามมาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า จะทำไงกับคนนี้ดีถ้าคนไม่ดีถ้าหนีได้ก็หนีคนนี้ดีถ้าเข้าไปกอดเขาได้ก็เข้าไปกอดนี่คือความคิดความคิดเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทําอะไรตามความต้องการของผู้รู้คือใจอีกทีหนึง่งนี่แหละคือการทำงานของสองฝ่าย ฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเออร่างกายมีหน้าที่หนึ่งรับข้อมูลทางตาหทูทางรูปเสียงกลิ่นรสส่งไปให้ที่ใจแล้วใจก็มาดูว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนดีหรือไม่ดีเนีแล้วก็พอรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็สั่งให้ร่างกายทาหน้าที่ต่อไป ถ้าดีก็ให้เข้าไปหามาไปเอามาถ้าไม่ดีก็สั่งให้เอาไปทิ้งเช่นใครเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านนี่เราเห็นเราก็หยิบไปทิ้งถังขยะใครเอาขนมมาวางไว้หน้าบ้านเราก็เอาไปกินเราก็สั่งให้ร่างกายทำตามคำสั่งของใจอีกทีนึออ นี่คือการทำงานของร่างกายกับจิตใจ<ม>ที่เป็นเพียงธาตุร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตรู้ ม, มารวมกันก็เลยมีอยู่ห้าธาตุด้วยกันธาตุนี้แปลความหมายว่าเป็นธรรมชาติเห็นไหมลมพัดนี่มีมีใครมาพัดลมรือเปล่า มีใครเอามาพัดลมหรือเปล่าเวลามันร้อนนี่มีใครไปจุดไฟที่ดวงอาทิตย์หรือเปล่ามันมีเหตุมีปัจจัยทำให้เกิดไฟขึ้นมาที่ดวงอาทิตย์แล้วความร้อนของดวงอาทิตย์มันก็ส่งกระแสมาถึงโลกนี้พอโลกนี้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็เกิดความร้อนขึ้นมา ถ้าร้อนมากก็เผาโลกได้หรือทำให้แห้งแล้งได้เช่นที่ทะเลทรายนี่นับแต่ความร้อนไม่มีน้ำมีดินมีลมมีความร้อนแต่ไม่มีไฟไม่มีไม่มีน้ำก็เลยทำให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทะเลทรายใช่แต่ที่เราที่เราอยู่กันนี้มันไม่ร้อนมาก แล้วมันมีดินมีน้ำฝนตกอยู่เรื่อยแล้วมีอากาศมีลมมันก็เลยทำให้มีต้นไม้ใบาย่าขึ้นมาต้นไม้ใบาย่า ก, ก็เป็นเหมือนร่างกายเหมือนกันทำมาจากเซลล์เหมือนกันแล้วก็มาทำให้เป็นใบเป็นก้านเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็เวลาออกดอกออกผลก็มีดอกมีผลออกมา ก็เป็นการทำงานของธาตุสี่เหมือนกันต่างกันตรงที่ต้นไม้ใบหญ้านี้ไม่มีธาตุรู้มาเกาะมาเชื่อมยังไม่มีการรับรู้ต้นไม้ไม่มีการรับรู้ว่าเวลาใครมาเด็ดใบจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บขึ้นมามันไม่รู้ไม่ไม่มีใครรับรู้ใครไปฟันต้นไม้ก็ไม่มี ใครรับรู้ว่าต้นไม้มันเจ็บหรือไม่เจ็บเอ่แต่เวลาใครมาฟันร่างกายนี่พอมีดบาดร่างกายปั๊บเนี่ยใจที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่ามีผลทพะมาสัมผัสที่ร่างกายในรูปแบบของมีดนะมีดบาดมีดทิ่มมีดแทงพอมันบาดมันก็เกิด อาการเจ็บขึ้นมาจิตก็ไปรับรู้ด้วยสัญญาว่าอาการแบบนี้เป็นอาการเจ็บไม่ดีก็เลยเกิดความทุกข์ความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาในใจนี่คือร่างกายกับต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันต่างกันตรงที่ไม่มีาธาตุรู้มาเกาะเท่านั้นเองร่างกายมีาธาตุรู้มาเกาะ แต่ต้นไม้ใบหญ้าไม่มีธาตุรู้ไปเกาะก็เลยไม่มีเหมือนกับไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปคอยปกป้องรักษาแต่ร่างกายนี้มีธาตุรู้มาประกบมาเกาะติดแล้วธาตุรู้นี่แหละเป็นผู้มาป้องกัน ร, รักษาร่างกายเพราะธาตุรู้นี้มีความสามารถที่จะ สั่งให้ร่างกายทำอะไรได้สั่งให้ร่างกายเดินยืนนั่งนอนแต่ก่อนจะสั่งได้ก็ต้องหัดก่อนใช่ตอนที่เป็นทารกนี่ยังยืนไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวแต่พอเริ่มหัดเห็นคนอื่นเขายืนก็หัดยืนตามเขาเห็นคนอื่นเขาเดินก็หัดเดินตามเขา พอหัดไปต่อไปก็สั่งให้ร่างกายยืนได้เดินได้วิ่งได้ทำอะไรต่างๆได้พอเห็นคนอื่นเ็าทำอะไรก็หัดไปทำกับเขาเขาเห็นเขาเต้นระบำก็ไปหัดเต้นระบำกับเขา mm hmm. เห็นเขาทำโยคะก็ไปหัดทาโยคะกับเขาพอไปหัดทาต่อไปก็ทำได้ถ้าไม่เคยหัดก็ทำไม่ได้ คนที่ไม่เคยไปเต้นระเบมไม่เคยหัดเต้นระเบมจะให้ไปเต้นก็เต้นไม่ได้คนที่ไม่เคยดัดร่างกายทำโยคะอยู่ดีๆจะให้ไปทำก็ทำไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าไปหัดไปเรียนรู้ <Yeah. S 1> ก็จะสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ <Yeah. S 1> คนที่ไม่เคยมานั่งสมาธิให้นั่งสมาธิก็นั่งไม่เป็น yeah. ก็ต้องมาหัดนั่งนั่งหัดสมาดนั่งพับเพียบนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเป็นเป็นผู้ไปฝึกหัดเนี่ยฝึกหัดทําอะไรต่างๆเพื่อจะได้สร้างความสุขให้กับใจนั่นเองใจต้องการความสุขจากร่างกายใจต้องการอาศัยนั่งกาย เป็นผู้ไปสร้างความสุขต่างๆมาให้กับใจใจชอบรูปต่างๆก็สั่งให้ร่างกายไปหาไปดูรูปต่างๆที่เราไปท่องเที่ยวกันก็เพราะเราอยากจะไปเห็นภาพต่างๆเห็นภาพในกระดาษแล้วมันยังไม่ถึงใจอยากจะเห็นแบบสามมิติเห็นแบบสดๆร้อนๆ เห็นแบบจับต้องได้ก็ต้องไปที่ที่เราที่เขาถ่ายภาพมาเขาถ่ายภาพจากประเทศต่างๆมาให้เราเห็นพอเราเห็นหนะทีนี้ใจก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปสัมผัสรับรู้ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสของสถานที่ต่างๆใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายนี้าพาไป เห็นภาพนี้สวยอยู่ที่ประเทศไหนก็ไปที่ประเทศนั้นเห็นภาพนี้สวยอยู่ที่ประเทศไหนก็ไปประเทศนั้นยังมีการท่องเที่ยวกันอย่างกว้างขวางใน่ไหมคนที่อยู่ทางนู้นมาเห็นทางนี้ไม่เคยเห็นก็อยากจะมาทางนี้ฝรั่งไม่เคยเห็นวัดพระแก้วก็อยากจะมาเห็นวัดพระแก้วคนไทยเห็นวัดตั้งแต่เกิดมาก็เลยไม่รู้สึกอยากจะมา เห็นวัดพระแก้วอยู่ที่ไหนมันก็มีวัดเห็นทั่วไปแต่พอไปเห็นปราสาทของฝรั่งเขาก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปดูปราสาทของฝรั่งก็เลยมีการท่องเที่ยวคนอยู่ทางนี้ก็ไปทางโน้นคนอยู่ทางโน้นก็มาทางนี้นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในใจ ในทารู้ที่พาให้มีการไปไหนมาไหนก็คือความอยากนี่เองในใจของทุกๆคนมีตัณหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆภาษาพระเราเรียกว่ากามตัณหากามแปลว่ากามคุณห้า การมคุณ น, นี้ได้แก่รูปเสียงกดลิ่นรสผดทพะตัณหาแปลว่าความอยากความอยากเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพะเป็นตัวที่ทำให้ใจนี้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้เพราะว่าอยู่กับที่มันจะเห็นแต่รูปเสียงกดลิ่นรสที่ซ้ำซากพอเห็นอะไรที่ซ้ำซากเคยชิน มันก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้เกิดความยินดีพอไปเห็นรูปภาพที่เขาถ่ายมาจากที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปเนี่ยพอเห็นแล้วก็เกิดความอยากไปดูรูปภาพต่างๆที่เขาถ่ายมาก็เลยมีการเดินทางไปกันไม่มีใครอยู่กับที่สักคนไม่มีใครอยู่กับบ้านกัน บ้านเป็นเหมือนที่ไปพักหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็ไปแล้วออกนอกบ้านกันไปตามสถานที่ต่างๆที่อยากจะไปกันไปจนเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าร่างกายเหนื่อยก็ค่อยกลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมาทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำอาบท่า แล้วเดี๋ยวพอทักผ่อนหลับนอนพอพอตื่นขึ้นมาก็ไปอีกแล้วถ้ามีเงินไม่ต้องทำงานก็ไม่ต้องไปทำงานใช้เงินไปเรื่อยๆพวกที่ไม่มีเงินก็ต้องรอมีเงินก่อนก็ต้องไปทำงานก่อนออกนอกบ้านไปหางานหาเงินก่อนพอได้เงินมาพอวันที่ไม่ต้องทำงานก็ออกไปเที่ยวกัน ออกไปตามที่ต่างๆที่อยากจะไปกันมันก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้มันได้มาเท่าไหร่มันไม่หมดนมันไม่พอได้ไปเที่ยววันนี้แล้วความอยากเที่ยวมันไม่หายไปนะความอยากเที่ยวมันกลับมีมากขึ้นอยากจะไปไกลกว่าเก่าอยากจะไปมากกว่าเก่าอย่างนี้ ความอยากมันจะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆสมัยเป็นเด็กๆนี่ยคลานได้เนี่ยขอให้ได้คลานแล้วไปเกาะอะไรได้ยืนอะไรก็ดีใจแล้วพอยืนได้แล้วทีนี้ก็อยากจะเดินแล้วอยากจะเดินไปไกลๆแล้วพอเดินได้แล้วทีนี้ก็อยากจะวิ่งแล้วความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆทําให้อ่า ร่างกายทาให้ใจนี้ต้องขวนขวายอยู่เรื่อยๆต้องคอยไปหารูปเสียงกลิ่นรสแบบแปลกๆใหม่ๆมาให้ใจมีความสุขเพราะรูปเสียงกลิ่นรสแบบเก่าๆนี่มันเห็นแล้วมันเบื่อมันเห็นแล้วมันชินมันช า, าทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ใหม่ๆนี้โอ้โห แสนรักแสนหวงได้อะไรมาใหม่ๆนี่ทั้งรักทั้งหวงแต่พออยู่กับมันไปนานๆเข้าก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่รักไม่หวงเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆเช่นอาหารจานโปรดเนี่ยเวลาได้กินข้างล่างเนี่ยโอ้ยอร่อยอร่อยถ้าให้กินซ้ำซากอยู่ทุกวันวันละสามมื้อดูเลย รับประกันได้ไม่เกินเดือนหนึ่งกินไม่ลงนะมันจะเบื่อเพราะมันเกิดความเคยชินขึ้นมามันก็อยากจะไปหาอาหารชนิดใหม่ชนิดอื่นรับประทานนี่คือตัวที่ผลักดันให้ใจของเรานี้ต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆแล้วเป็นตัวที่ไปกดดันให้น่างกายต้องทำอะไรตามคำสั่ง ของใจอยู่เรื่อยๆใจก็เลยต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายให้ดีเพราะว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ใจได้เสพนั่นเองถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็จะทำไม่ได้เช่นเวลาร่างกายไม่สบาย ตอนนั้นจะไปหารูปเสียงกิดลดที่นั่นที่นี่ก็ไปไม่ได้ยังไม่มีใครอยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายแก่พอเวลาร่างกายแก่มากๆก็เหมือนกับคนเจ็บเนี่ยคนแก่มากๆก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะกินบางทียังกินเองไม่ได้เลยยังต้องให้ลูกให้หลานช่วยป้อนให้ ใจเลยไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายพอถ้าร่างกายตายก็จบการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆตามที่เคยอยากเสบก็เสบไม่ได้ใจถึงไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ความไม่ชอบความกลัวนี่แหละจึงทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอความไม่สบายใจขึ้นมาเออนี่คือปัญหาของใจใจมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจพอร่างพอเครื่องมือคือร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่ได้ใจก็เดือดร้อนออ ใจก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนี่เองติดรูปเสียงกลิ่นรสพอไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็เกิดอาการทุรนทลายอาการลงแดงเขาเรียกลงแดงคนติดยานี่เวลาไม่ได้เสพยานี่มันจะลงแดงมันจะมีอาการทุกข์ทรมานใจ มันจึงต้องดิ้นคนตีติดยานี่ถ้าดิ้นหายาได้ก็ต้องดิ้นหาเพราะมันทนกับความทุกข์ทรมานไม่ไหวใจก็เหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ได้เสพ ย, ยาเสพติดแต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็คล้ายๆยาเสพติดมันอาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับยาเสพติดหรือรุนแรงก็ได้เพราะบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายใช่ไหม เวลาที่ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้ตามความอยาก mm. ก็เลยทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ไหว mm. ก็เลยคิดว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์ทรมานใจจะหายไปแต่ไปฆ่าผิดที่ไปฆ่าร่างกายความทุกข์ทรมานใจก็ยังไม่หายเพราะว่าตัวที่ทำให้ความทุกข์ทรมานใจนี้ไม่ได้ใชไม่ใช่ร่างกาย ตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจคือความอยากต้องมาฆ่าที่ความอยากถ้าฆ่าความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้เวลาไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดจะไม่รู้สึกทรมานใจเช่นคนที่ไม่ติดยานี่เขาไม่มีความอยากเสพยาเวลาเขาไม่มียาเสพติดเสบเขาไม่ทรมานใจนี่คือ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าตัวที่เป็นปัญหาคือความอยากความอยากต่างๆนี้พอเราไปอยากแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วพอเราอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องมาหยุดความอยากมากําจัดความอยาก ถ้าเราหยุดความอยากได้เวลาที่เราไม่สามารถได้ในสิ่งที่เราอยากมันก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากในสิ่งนั้นแล้วเช่นคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วพอเห็นยาเสพติดก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะไม่มีความอยากพอไม่ได้เสพก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้ายังมีความอยากเสพอยู่ พอเห็นยาเสพติดก็ต้องมือไม้สั่นขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เสพก็ยิ่งสั่นใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าฝืนถ้าหยุดความอยากเสพได้ต่อไปเวลาเห็นยาเสพติดก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ได้เสพก็ไม่เดือดร้อนแล้วไม่กล้าเสพถ้าคนเคยเสพแล้วเลิกแล้วจะไม่กล้าเสพ พราเห็นพิษของการติดยาเสพติดว่ามันเป็นอย่างไรงนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่พวกเราทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าเราติดรูปเสียงกลิ่นลดกันแล้วเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นลดมาให้เราเสพกันพอร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็เลยเดือดร้อนกัน เราก็มีความไม่สบายใจกัน <Yeah. S 1> แล้วยังมีความหลงมาหลอกเราให้คิดอีกว่าร่างกายนี้เป็นเราเราก็ยิ่งทุกข์กับมันใหญ่เพราะเวลาร่างกายตายเราก็จะคิดว่าเราตายไปกับมันด้วย <Yeah. S 1> ความทุกข์มันเลยมีสองชั้นด้วยกันทุกจากความอยากใช้ร่างกายและทุกจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา yeah. เราก็เลยรักขวงร่างกายมากเวลาที่ร่างกายจะต้องตายนี่โอ้โหทุกคนนี่มีความทุกข์มากอย่างเมื่อเช้านี้มีญาติโยมคนหนึ่งก็มาทำบุญแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าเขาไม่มีธรรมะนี่เขาจะทุกข์มากเพราะก็จะคิดว่าเขาจะตาย แต่ถ้าเขาได้มาศึกษาธรรมะเขาจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเขาร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่เราเป็นใครเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราความจริงร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านหรือเป็นเหมือนรถยนต์ ที่เราอาศัยให้มันพาเราไปไหนมาไหนนั่นเองพอรถยนต์มันเสียมันพาเราไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็เลยทุกข์กันทุกข์เพราะว่าเราอยากไปไหนมาไหนถ้าเรามาหยุดความอยากไปไหนมาไหนได้เวลารถเสียเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากไปไหนมาไหนเราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ วิธีที่เราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กันเราก็ต้องมาเลิกใช้ร่างกายกันอย่าไปอาศัยร่างกายพาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดกันเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดกัน แต่เราเลิกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนะเลิกยาเสพติดไม่ได้ถ้าจะเลิกยาเสพติดต้องมีอะไรมาให้ทดแทนอะเช่นเห็นมสมัยนี้คนจะเลิกบุหรี่เลิกไม่ได้ก็ต้องมีอะไรมาแทนบุหรี่มีอะไรเค้าเรียกมีหมากฝรั่งมาเคี้ยวหรืออะไรเวลาอยากบุหรี่ก็ให้เคี้ยวหมากฝรั่งไปแทน พอมีอะไรมาทดแทนมันก็ทำให้พอที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานใจทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้แต่ก็ไปติดหมากฝรั่งอีกเนี่ยวต่อไปก็ไปติดหมากแทนติดบุหรี่มันต้องติดเพราะว่าใจนี้มันต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับมันโชคดีพวกเรา ที่เราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าที่ทรงคบ ต, ตัวตัวตัวที่จะมาทดแทนความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่จะทําให้เร า, เาไม่ทุกเวลาที่เราไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสตัวที่จะมาให้ความสุขกับเราแทนรูปเสียงกลิ่นรสพระพุทธเจ้าบอกว่าก็คือความสงบนี่อ ความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธินั่งสมาธิทําใจให้หยุดคิดให้ได้หยุดคิดหยุดอยากแล้วใจก็จะสงบพอสงบแล้วใจก็จะมีความสุขอีกอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าเป็นความสุขที่เราจะ ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจนสามารถใจเป็นผู้สามารถผลิตบันขึ้นมาได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตความสุขแบบนี้ขึ้นมาพอเราสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ จากการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเรามาหาความสุขจากความสงบได้เราก็ไม่ต้องไปใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเองต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรายังมีความสุขได้เวลาแก่ก็มีความสุขจากความสงบได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ยังมีความสุขได้เวลาจะตายก็มีความสุขได้หลังจากที่ตายร่างกายตายไปแล้วความสุขในใจก็ยังอยู่กับใจต่อไปอันนี้แหละเป็นเป็นความสุขที่ดีเลิศที่สุดที่พระเจ้าทรงตัดว่านัติสันติพลังสุขขังสุขเอินที่เหนือกว่าความสงบไม่มี นี่ละคือสิ่งที่พวกเราถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายเราต้องมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่กันเพื่อที่จะได้เลิกไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันถ้าเราสามารถหาความสุขจากการอยู่คนเดียวนั่งเฉยๆหลับตาทำใจให้สงบ ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องไปอยู่กับคนนั่นคนนี้ไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ดูให้ฟังมาให้กินให้ดื่มให้ลิ้มรสให้ดมกลิ่นเพราะเรามีความสุขในใจที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้ผ่านทางร่างกายนั่นเองพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วรับรองได้ว่า ความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจอีกต่อไปใจจะไม่เดือดร้อนน่างกายจะอยู่หรือจะตายไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องอาศัยเขาแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ไม่ติดสุราไม่ติดบุหรี่แล้ว เวลามีสุลามีบ <teasing> ุหรีหรือไม่มีสุลาไม่มีบุหรีเขาไม่เดือดร้อนคนที่ไม่ติดสุลานี้ไม่เดือดร้อนจะมีสุลาหรือไม่มีสุลาไม่เดือดร้อนคนที่ไม่ติดบุหรีนี้จะมีบุหรีหรือไม่มีบุหรีไม่เดือดร้อนชั้นใดคนที่ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่สามารถใช้ร่างกายเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้ ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจยังมีความสุขได้มีความสุขโดยตรงในใจของตนเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะมาหัดทำกันเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ความทุกข์ความวุ่นวายใจของพวกเรานี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนหรือรอยเปอร์เซ็นตนี้มาจากทางร่างกายทั้งนั้นพอร่างกายมีปัญหาขึ้นมาพอตาหูจมูกลิ้นกายมีปัญหาขึ้นมานมันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถมีความสุขผ่านทางความสงบได้นี้ร่างกายจะเป็นอะไรไม่มีปัญหา ข้าวของเงินทองไม่มีก็ไม่มีปัญหาที่เราต้องมีเงินทองก็เพราะว่าบางทีมีตามีหูแล้วแต่ไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้หาได้แต่ของฟรีมันก็ไม่สนุกเหมือนกับของเสียเงินดูของฟรีมันไม่เหมือนกับดูของเสียเงินก็ต้องไปหาเงินกันต้องมีเงินมีทองพอหาเงินไม่ได้ก็เดือดร้อนขึ้นมาอีก หรือเงินได้มาหายไปหมดไปก็เดือดร้อนขึ้นมาอีกเนี่ยเรากำลังมาหาความเดือดร้อนกันยังไม่รู้สึกตัวถ้าเรามุ่งไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะต้องมีเรื่องวุ่นวายวุ่นวายเกี่ยวกับร่างกายวุ่นวายเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกาย วุ่นวายกับเงินทองที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะ่าเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไปวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปหามาบางทีรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มาเวลาได้มาใหม่ๆ ม, มันดีอยู่ไปสักพักเอามันทำไมไม่ดีเสียแล้วทำไมมันเปลี่ยนไปเสียแล้วจากภาพสวยๆงามๆกลายเป็นภาพน่าเกลียดน่ากลัวจากภาพที่ หวานเจียบกลายเป็นภาพที่ขมปึ๊บขึ้นมาเวลาอยู่กับคนใหม่ๆก็หวานจ้ยหวานเจียบ เ, เขาอยู่ไปอยู่มาเอา้าทำไมหน้าตาบึง้งตึงทำไมไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเก็เพราะลูกเสียงกลิ่นรถมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ถาวรมันไม่ดีไปตลอดออเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนจากดีไปไม่ดีได้ จากใหม่ก็เป็นของเก่าไปเห็นไหมจากของแปลกกลายเป็นของชินชาไปพอเห็นของแปลกใหม่ๆเอาหน้าดูหน้าชมพอดูไปบ่อยๆดูไปทุกวันเดี๋ยวเบื่อแล้วหน้าเบื่อขึ้นมาแทนเนี่ยมันมีปัญหาทางนั้นนะถ้าเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสเองก็เป็นปัญหาเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นปัญหาเช่นเงินทอง ร่างกายที่เราใช้เ ส, เสียงรูปกลิ่นรสก็เป็นปัญหามีแต่ปัญหาทั้งนั้นมีแต่ตัวที่จะมาสร้างทำให้เราสะดุดกับการหาความสุขแล้วพอสะดุดก็ทำให้เราเครียดขึ้นมาทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาถ้าเป็นมากๆ ก, ก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไป แต่การฆ่าตัวตายมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาหรอกเพราะว่าความอยากมันไม่ได้ตายค่าร่างกายถ้าต้องแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากมาฆ่าความอยากวิธีที่จะฆ่าความอยากได้ก็ต้องไปหาความสุขแบบใหม่พอเรามีความสุขแบบใหม่ความอยากที่หาความสุขแบบเก่ามันก็หมดปัญหาไปเองนี่คือวิธีแก้ปัญหา ของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะทำให้เรื่องการมีเงินหรือไม่มีเงินทองไม่เป็นปัญหาที่จะแก้ปัญหาที่จะทำให้เวลามีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพหรือไม่มีให้เสพก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็น เครื่องมือให้ความสุขกับใจถ้าใจสามารถหาความสุขภายในใจได้ถ้าใจสามารถผลิตความสงบขึ้นมาได้ถ้าทำใจให้สงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่มั่นคงแน่นอนถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราต้องการเราก็สั่งมันให้มาโผล่ขึ้นมาได้ เวลาไหนถ้านั่งสมาธิเป็นแล้วพออยากจะมีความสุขก็ไปนั่งหลับตาดูลมหายใจพุโทโธพุโทโธไปพอใจสงบความสุขก็โผล่ขึ้นมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพยายามมาฝึกทําใจให้สงบกันถ้าทําใจให้สงบได้แล้วก็เลิกใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาให้เหนื่อยเมื่อยละไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะว่าเราสามารถหาความสุขภายในตัวของเราเองได้ภายในใจของเราได้ด้วยการมาฝึกสตินัฝึกนั่งสมาธิกันก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราต้องมีสติ มาหยุดความคิดให้ได้ก่อนนะถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้นั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบเหมือนถ้าเราต้องการให้นกที่วิ่งอยู่นี้หยุดลงเราต้องทําอย่างไรเราต้องเหยียบเบรก้ยถ้าไม่มีเบรกนี้เหยียบไปแล้วมันก็ไม่หยุดใช่ไหมถ้าเบรกเสียนี่ก็เรียกว่าเบรกแตกใช่ไหมก็จะวิ่งไปชนนถคันอื่นเพราะต้องการจะหยุดต้องการไม่ไปชนนกคันอื่น แต่เบรคมันเสียเบรกแตกเหยียบแล้วมันไม่หยุดใจของพวกเราตอนนี้เป็นพวกเบรกแตกกันทั้งนั้นเราหยุดความคิดกันไม่ได้เรานั่งเฉยๆแล้วหยุดความคิดไม่ได้นั่งแล้วก็คิดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไป ไปตลอดเวลาไม่มีวันหยุดได้เพราะเราไม่มีเบรกถึงแม้เราอยากจะให้มันหยุดก็หยุดมันไม่ได้ที่เรานั่งสมาธิก็เพื่ออยากให้มันหยุดคิดะแล้วมันหยุดหรือไม่มันไม่หยุดเพราะเบรกเราไม่มีหรือเบรกเราไม่ไม่พอเราจึงต้องไปสร้างเบรกกันวิธีสร้างเบรกก็คือต้องมีเครื่องมือสร้างเบรก เครื่องมือสร้างเบรกก็คือกรรมฐานกรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเป็นวิธีที่จะทำให้เราหยุดคิดในรูปในเหตุการณ์ต่างๆ เ, ออเวลาที่เราเริ่มต้นนี้เราก็จะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เรามีสติมาหยุดความคิดได้ก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้เองเออ ให้เราเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธไปชื่อของพระพุทธเจ้าให้ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจถ้าเราสามารถพุโทโธไปได้อย่างต่อเนื่องความคิดต่างๆมันก็จะเข้ามาไม่ได้มันจะคิดไม่ได้เพราะพุโทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งเมื่อเราคิดพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองง่ายจะตายไปเรื่องของการหยุดความคิดต่างๆ เรามาให้มันมาคิดในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียพอคิดถึงพุทธโธมันไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว ม, มันก็เลยทำให้ใจเย็น ใ, ใจว่างได้เพราะว่ามันไม่มีทำให้เกิดความอยากคิดถึงพุทธโธแล้วมันไม่มีความอยากแต่คิดถึงเงินแล้วอยากขึ้นมาคิดถึงขนมแล้วอยากขึ้นมาคิดถึงภาพยนตร์แล้วอยากขึ้นมาคิดถึงแฟนแล้วอยากขึ้นมา เราต้องมาหยุดความคิดเหล่านั้นเพื่อให้มันหยุดความอยากพอไม่มีความอยากเราใจก็จะเบาใจก็จะเย็นใจก็จะสบายแล้วถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมันก็จะหยุดหมดพอหยุดหมดใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีความสุขที่ดีกว่าการได้ไปอยู่กับแฟนดีกว่าการที่ไปกินข น, นมน ม, นมเนย ดีกว่าไปดูภาพยนต์ไปฟังเพลงดีกว่าไปทำอะไรต่างๆนานาอันนี้แหละที่เราควรที่จะทำให้ได้ถ้าทำได้แล้วเราจะเลิกความอยากต่างๆได้เลิกความอยากที่จะใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วทีนี้เราไม่กลัวความแก่แล้วไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย ยิงเรามาเรียนรู้ด้วยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ต่อไปมันก็ต้องเก่าก็ต้องพังไปตามธรรมชาติของมันเราก็ปล่อยให้มันพังไปเมื่อถึงเวลาเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้ตายไปกับมัน ถ้าเราก็รู้อีกด้วยว่าผู้รู้ผู้คิดก็ไม่ใช่เราเองผู้รู้ผู้คิดก็เป็นผู้เป็นผู้รู้หรือธาตุรู้ที่ไม่มีวันตายมันก็จะเป็นรุดธาตุรู้ไปเรื่อยๆส่วนร่างกายมันก็จะกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปเหมือนตะตอนที่มันเริ่มตน้นธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟที่มารวมในรวมตัวสร้างร่างกายขึ้นมาพอร่างกายให้หยุด มันก็แยกตัวกันออกไปธาตุน้ําก็ไปกลับไปหาธาตุน้ำธาตุนมก็กลับไปหาธาตุนมธาตุไฟก็กลับไปหาธาตุไฟเหลืออยู่ธาตุดินธาตุดินก็กลับไปสู่ดินร่างกายต่อไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปก็เอาไปอาลอยน้ําลอยอังขานเดี๋ยวมันก็ตกตะกอนลงไปอยู่กับดินใต้น้านั่นเอง นี่หละคือเรื่องของชีวิตของพวกเรามีเท่านี้ไม่มีตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธาตุสีนินน้ำลมไฟที่มารวมกันเดี๋ยวมันต้องแยกออกจากกันเราเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้ไม่ได้เป็นเราธาตุรู้ไปคิดว่ามีเรา เรานี้เป็นเพียงแต่สมมุติท right. uh ี่เราคิดกันขึ้นมาตัวจริงๆคือตัวเรามันไม่มีมีแต่ตัวรู้ตัวคิดตัวคิดนี้เป็นตัวคิดสร้างเราขึ้นมาเหมือนเราสมมติสร้างคิดว่าสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาสมมุติว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่กันขึ้นมาแต่ความจริงมันเป็นเพียงสมมุติมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันเป็นเพียงธาตุรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเอง ที่ไม่มีวันตายที่มีปัญหาตรงที่ว่าไปไปติดกับร่างกายไปใช้ร่างกายหาความสุขพอมาพบกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าไปใช้ร่างกายไปหาความสุขให้มาใช้สติใช้สมาธิมาหาความสุขพอเราได้สติได้สมาธิเราก็ทาใจให้สงบใจก็มีความสุขเราก็เลิกใช้ร่างกายได้ เราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายกต่อไปร่างกายนี้ตายไปก็จบไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปเป็นนายกนายขอนางสาวนายอะไรกันอีกเพราะไม่มีร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุขภายในใจของเราแล้วเราก็จะ อยู่กับความสุขนั้นไปตลอดไม่มีความทุกข์เข้ามาอีกต่อไปไม่มีปัญหาที่เราจะต้องแก้กันอีกต่อไปถ้าเรายัางมาใช้ร่างกายอยู่เราก็ยังต้องมาแก้ปัญหากันอยู่เรื่อยๆเพราะร่างปัญหาที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ร้อยแปดพันประการเห็นไหม ปัญหาที่เกี่ยวกับร่างกายก็อาหารก็เป็นปัญหาแล้ที่อยู่อาศัยก็เป็นปัญหาเครื่องนุ่งห่มก็เป็นปัญหายารักษาโรค ก, ก็เป็นปัญหาแล้วอย่างนอกจากนั้นยังคนนั้นคนนี้ก็มาเป็นปัญหาข้าวของเงินทองก็มาเป็นปัญหามีแต่ปัญหาร้อยแปดประการตามมาถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุข จะไม่มีปัญหาอะไรตามมานี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องแก้ด้วยสติสมาธิและปัญญาสร้างความสุขอันใหม่ขึ้นมาสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายขึ้นมาพอไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วปัญหาร้อยแปดที่ตามมากับร่างกายก็จะหายไปเราก็จะอยู่แบบไม่มีปัญหาไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ย ใจของพระพุทธเจ้านี่ปราศจากปัญหาตั้งแต่วันที่ท่านตรัสรู้วันเพ็ญเดือนหกเมื่อสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ต่อยู่แบบไม่มีปัญหาใจของพวกเราอยู่มาตั้งแต่ยุคสองพันห้าร้อกว่าปีอยู่แบบมีปัญหาพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาสร้างปัญหาอันใหม่สร้างัไปเรื่อย เพราการที่เราต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้นั่นเองดังนั้นมาหาความสุขแบบใหม่กันมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันแล้วปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆจะไม่มีอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตถินังเปตานังปะกะปติอิชิตังปฏทิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจโตสพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ อระโสยทธาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทานาสีดทสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลงช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถาม เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็ถามไม่ได้พอปิดไม่แล้วก็จบไม่มีหลังใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามามมวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา351ย t u b บ290 วิทีุออนไลน์สามสิบห้ารับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดครับออใครแทงหวยก็จักไว้ไมีบอกหวยทุกวันแต่ถูกไม่ถูกไม่รับประกันถูกไม่ถูกไม่ถูกก็ถูกกินไม่ถูกรังมันก็ถูกกินออใครอยากจะถามก็ ถามมมีคำถามอีกัหมมีครับคำถามจากทางบ้านครับคุณเบญจวรรณถ้าเรามีความรักและคนรักทิ้งเราไปแต่เรากลับยอมรับความจริงไม่ได้ทุกข์ใจใช้ชีวิตปกติไม่ได้เจ้าคะ่ะควรทำอย่างไรดีคะคุณทำอะไรไม่ได้ก็จยให้ทำยังไงนะ่ะก็ทุกข์ไปเท่านั้นสิ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องฮึดสู้คึดสู้ไอ้ตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากความยึดติดในอดีตที่แสนหวานที่มันผ่านไปแล้วที่มันไม่มีแล้วเราต้องดึงใจเราให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันอันนี้ใจเราไปฝันแต่ความสุขที่เคยได้จากเขาในอดีตแล้วก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนอดีตไปเรื่อยๆ แต่ความจริงมันไม่เป็นก็เลยทำให้เราทุกข์เห็นเราต้องดึงใจเราออกจากอาดีตให้ได้อย่าไปคิดถึงอดีตคือพูดง่ายๆให้ใช้ใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธหยุดคิดถึงอดีตพอจะคิดถึงแฟนคิดถึงอดีตก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่จะมาทำตอนที่คิดมันก็อาจจะไม่ทันการเพราะมันจะคิดไม่ออกจะพุโทโธไม่ออกเั้นตอนที่เรา ไม่ไม่ได้ทําอะไรมีเวลาว่างก็หัดมาพุทโธก่อนมาเตรียมตัวไว้ก่อนมาหัดท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยเวลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็มาใช้พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลาเราไปคิดถึงอดีตอันแสนหวานที่หมดไปแล้วเราก็จะได้ดึงมันกลับมาได้พอดึงกลับมาความทุกข์มันก็จะหายไป ความทุกข์มันเกิดจากการอยากจะย้อนกลับคืนไปหาความสุขในอดีตพอมันไม่ได้มันก็มีแต่ความทุกข์ความขมขื่นใจในปัจจุบันเงินถ้าอยากจะทำให้ปัจจุบันเราไม่ทุกข์ไม่ขมขื่นใจเราก็ต้องดึงใจออกจากอดีตอย่าให้มันกลับไปหาอดีตอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่แสนหวานที่มันไม่มีแล้วในปัจจุบัน คำถามต่อไปจากคุณหวังการปฏิบัติตนเช่นใดจึงเรียกว่าโสดาปฏิมาภพและนานเท่าใดจึงจะเป็นโสดาปฏิพลครับก็ต้องมาพิจารณาขันหอย่างที่วันนี้แสดงอยู่เรียๆว่าเป็นเพลงธาตุรู ป, ปรขันก็เป็นธาตุดินน้ำหลุมไฟนามขันก็คือธาตรู้ไม่มีตัวไม่มีตนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ไปห้ามมันไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ดับไม่ได้อถ้าถ้าคิดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็จะปล่อยได้ปล่อยรูปปะขันได้ปล่อยปล่อยให้มันเป็นดินน้ำลมไฟปล่อยให้ธาตุรู้เป็น เ, เป็นธาตุรู้ไปไม่มีตัวไม่มีตนหยุดความคิดความอยากที่จะให้เอให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย หยุดความคิดที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราหยุดไปคิดว่าความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นเรามันไม่เป็นมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับไปเหมือนแสงห่งห้อยคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามเพื่อนที่ทํางานสงสัยว่าหากเราฆ่าสัตว์เพื่อทําเป็นอาหารจะเป็นบาปหรือไม่ครับ ก็คนที่เขาคิดว่าไม่เป็นบาปก็เหมือนพวกเดรัจฉานเนี่ยเดรัจฉานเขาก็ฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเขาก็คิดว่าไม่บาปเขาก็เลยเป็นเดรัจฉานมนุษย์ที่คิดว่าการฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารไม่บาปก็เป็นเดรัจฉานตายไปก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่มนุษย์ที่คิดว่าการฆ่า สัตว์เอามาเป็นอาหารบาปก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ไปเป็นเดรชาญก็เป็นมนุษย์ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณจิตสงบได้ยินว่าถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่จริงของเราแล้วใจเราจะยอมรับท่านโดยไม่มีข้อแม้และถ้าเราได้พบอาจารย์ของเราจริงๆแล้ว ทำไมยังรู้สึกว่าไม่ยอมลงให้ท่านอันนี้ควรจะพิจารณาอย่างไรให้ยอมรับครับก็ยังไม่จริงอะไรถ้าจริงมันก็ยอมนะถ้ายังไม่ยอมมันก็ยังไม่จริงอะไรคํ า, าคถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากให้พระอาจารย์อธิบายหลักของการนั่งสมาธิเบื้องต้นและลักษณะของสมาธิเบื้องต้นครับ เมอเบื้องต้นนั่งก็ให้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งท่าถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าไปตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ตั้งจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดผูกไว้เป็นเครื่องผูกใจถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏในขณะที่เรานั่ง ถ้าดูลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูกดูว่าเข้ารู้ว่าออกไปเท่านั้นเองแล้วถ้าไม่มีถ้าใจไม่ไปยุ่งกับเรื่องอื่นอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมใจก็จะค่อยๆสงบรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในถ้ำพวกเสียงอะไรต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันห่างไปห่างไปเหมือนกับเวลาที่เรา เมือกับเวลาที่เราเดินเข้าไปในถ้ำเ่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงที่อยู่นอกถ้ำนี้มันเริ่มห่างไกลห่างไกลออกไปอันนี้คือลักษณะของความสงบใจจะเข้าข้างในใจจะปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปทักหยุดไปจนกล่ามันจะสงบแล้วมันจะหยุดของมันเองแล้วเราค่อยหยุดท่นนี้เอง พอสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในชีวิตจะรู้สึกว่าเป็นความสุขที่มหาสัจจั์ญิ่งกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยได้สัมผัสมาคำถามต่อไปจากคุณทวัตชัยการกรวดน้ำกับการแผ่เมตตาส่งผลต่างกันอย่างไรครับคนละเรื่องกันเยเหมือนกับกินข้าวกับกินน้ำมันคนละเรื่องกันเรื่องของการ อุทิศบุญก็เราต้องมีบุญถึงจะอุทิศบุญได้เหมือนกับเราจะโอนเงินจากบัญชีเราไปอีกบัญชีหนึ่งถ้าไม่มีเงินในบรรัญชีโอนไปก็โอนไม่ได้การที่เราอุทิศบุญก็เหมือนกับเราต้องมีบุญในใจเราก่อนเราถึงจะอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับแล้วได้อย่างถ้าเราต้องการอุทิศบุญเราก็ต้องทาบุญก่อนเช่นส่บาตรถวายสังฆทาน พอทำเสร็จเราก็จะเกิดบุญขึ้นมาในใจเราก็แบ่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับแล้วไปได้ส่วนการแผ่เมตตานี้เรียกว่าเป็นการให้ความสุขกับผู้อื่นก็ต้องให้ความสุขไม่ใช่มานั่งสวดนะนั่งสวดนี่ไม่ได้ให้ความสุขกับใครขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดมันไม่มีมันไม่มีใครรับเนี่ยเราเพียงแต่ท่องพูดของเราไปตามเรื่องตามเรา การที่เราจะให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรเราเวลาจะมีเวรกับใครเราก็ต้องให้อภัยเขาเวลาเจอใครแล้วเขาด่าเราอย่างนี้ก็เราก็ต้องรีบแผ่เมตตาให้เขาให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทปล่อยให้เขาด่าไปสาทุกไปอนีเรียก่าแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งสวดคนเดียวสัพเพสัตตาเวลาโหนตุมันไม่มี ผู้รับไม่มีผู้แผลฉะนั้นต้องมีผู้ให้ผู้รับถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาแทนที่จะโกรธเขาแทนที่จะด่ากลับก็สาธุไปพอใจให้ปล่อยให้เขาด่าไปพอใจหรือยังพอหรือยังไม่พอเอาต่อไปอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่เอาเรื่องเอาราวกับใคร <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณกอ พอเวลานอนนอนแล้วบริกรรมไปด้วยหลับไปแล้วไม่ฝันครับอันนี้ถือว่าขาดสติหรือมีสติครับไม่มีสติถึงจะหลับถ้าไม่หลับถ้าไม่หลับมันก็ยังมีสติอยู่พอไม่มีสติไม่รู้ตัวมันก็หลับแต่การหลับนี้ก็จะฝันก็ได้ไม่ฝันก็ได้แล้วแต่ คำถามจากคุณรัดาพามีสามคำถามนะครับคำถามแรกหากอยากหลุดพ้นต้องสละทุกอย่างแล้วหากคนที่มีหนี้อยากหลุดพ้นเราจะสละหนี้ได้หรือครับหรือต้องตั้งใจใจ่ายหนี้ให้หมดก่อนครับรก็ต้องใช้หนี้วิธีสละหนี้ก็ต้องใช้หนี้ไม่ใช่หนีหนี้ห น, หนีหนี้หนี้มันก็วิ่งตามเราอยู่นั่นแหละเจ้าหนี้มันไม่ยอมปล่อยเราหรอกถ้าเราไม่ใช้หนี้เขา ยังวิธีที่จะปล่อยหนี้ก็ต้องไปใช้หนี้ไม่ใช่หนีหนี้มีหนี้ก็ต้องไปใช้หนี้ให้หมดคำถามที่สองหากเราตั้งใจอยากไปนิพพานสถานการณ์การเงินของเราจะแย่ลงเพื่อให้เราไม่มีอะไรสอดคล้องกับการสละออกทุกอย่างให้เอื้อต่อการนิพพานไหมครับอถ้าไม่มีเงินมันก็ต้องไปบวชถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรเออ ก็ไปบวชเมื่อไปบวชก็จะได้มีเวลาศึกษาได้เวลาปฏิบัติพอได้ปฏิบัติก็ได้ไปถึงพระนิพพานต่อไปคําถามที่สามโลกอื่นที่เป็นแบบโลกของเราอยู่ในจักรวาล น, นี้มีไหมครับถ้ามีดวงจิตที่รอมาเกิดจะไปเกิดที่โลกอื่นบ้างไหมครับหรือมาเกิดที่โลกของเราอย่างเดียวอ๋อมีเพราะว่าเดี๋ยวโลกนี้มันก็ต้องพังไปะ โลกนี้มันไม่ได้อยู่ไปตลอดซักวันหนึ่งโลกนี้มันก็ต้องเสื่อมอาจจะกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ไม่มีอะไรอยู่ได้พวกดวงวิญญาณก็ต้องไปหาโลกที่มีมีร่างกายที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่ายังมีโลกแบบเราอยู่นี้เยอะแยะไปเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถติดต่อกับเขาได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามีเขามีหรือไม่มี เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีเพราะว่าไม่สามารถติดต่อกันไนดะ้อย่าว่าแต่โลกอื่นในโลกนี้สมัยก่อนคนอยู่อีกฟากโลกหนึ่งเรายังไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีสมัยก่อนใครมีใครไปรู้ว่ามีอเมริกาไม่มีถ้ามีอเมริกามารู้ตอนที่คนเขาคิดว่าโลกมันไม่แบนมันกลมเขาถึงกล้านั่งเรือออกไป พอนั่งเลย อ, ออกไปก็เลยไปเจอเกาะอเมริกาทวีปอเมริกาก็ไปเจออินเดียนแดงไปเจออะไรนะแต่เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่ามีมีคนอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วมันร่างกายนี้มันเป็นที่ที่ที่จิตจะไปเกาะมันมันก็ต้องมีร่างกายให้จิตไปเกาะอยู่เรื่อย ถ้าตราบใดโลกมีดินน้ำลมไฟครบบริบูรณ์ที่สามารถทำให้มีร่างกายได้มีต้นไม้ใบหญ้ามีอาหารให้ร่างกายกินได้ที่นั่นมันก็จะต้องมีร่างกายพอมีร่างกายกระแสจิตเรานี้สามารถเดินทางไปได้เร็วกว่าจรวดเพราะจิตมันไม่มีรูปร่าง มันเพียงแต่คิดก็ถึงเมื่อเนี่ยตอนนี้คิดถึงบ้านไปถึงบ้านแล้วมาบาดจิตเนี่ยพอคิดถึงบ้านเห็นบ้านเห็นไหมเห็นประตูบ้านเห็นอะไรหมดเล้วอ่าจิตมันไปได้ไม่โดยที่ไม่ต้องใช้จรวดพาไปมันใช้ความนึกคิดพาไปมันนึกคิดหาร่างกายพอตรงไหนมีร่างกายมันก็ไปถึงแล้ะคําถามต่อไปจากคุณซันตอนที่เราอยู่ในสมาธิเราไม่รู้เลย เรียกอาการแบบนี้ว่าอะไรครับเช่นหลับเลยครับไม่รู้เลยก็หลับเนี่ยถ้าเป็นสมาธิถ้ารู้ถึงนี้รู้ว่าสงบนย่างที่นี้เรียกว่าสมาธิครับเช่นเห็นภาพสัญญาเกิดและดับไม่เที่ยงใจแยกออกจากความเจ็บปวดได้ไม่ไปกังวลแถมมีความสงบกว่าครั้งก่อนมีสมาธิรู้แค่ต้องต่อสู้กับทุกอย่างที่เจอในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาและพิจารณาอยู่หลายวันถึงรู้ว่ามันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นแบบนี้เห็นจริงหรือฟุ่งซ่านครับก็เห็นจริงก็ถ้าเอามาใช้ต่อได้สิเวลาร่างกายเจ็บก็เฉยได้เวลาร่างกายเป็นอะไรก็เฉยได้ถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าเป็นสัญญาเป็นความจำํำยังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องเอามาใช้ ปล่อยวางร่างกายได้ตลอดเวลาคำถามจากคุณยิ่งพันสมาธิและปัญญาเป็นส่วนสำคัญในมรรคส่วนศีล น, นั้นจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรครับศีลออ ส, สนับสนุนให้เกิดสมาธิปัญญา เ, ออเป็นบันได ก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงชั้นชั้นบนได้ชั้นสิบได้เราก็ต้องขึ้นชั้นหนึ่งก่อนชั้นสองชั้นสามมักก็มีแปดชั้นด้วยกันเราก็ต้องเริ่มจากสั้นชั้นศีลขึ้นไปชั้นสัมมากรรมโตศีลสัมมาวาจาสัมมาชิวเนี่ยมันเป็นขั้นขั้นไป แล้วก็ไปถึงสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอีกทีหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณอ้อยสังฆทานสดกับสังฆทานแห้งมีอนิสงต่างกันอย่างไรครับและบุญมากน้อยกว่ากันไหมครับอ๋อไม่ไม่ต่างกันหรอกสดก็คือของที่พระกินไดอันนี้ต้องถวายตอนเช้า ตอนเช้ากันหรือตอนเพลนถ้าวัดที่เขาฉันเพลนได้ก็ฉันเช้าถวายเช้าถวายเพลนได้เช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดขนมนมเนย น, น, น, นี่เรียกว่าของสดนะก็ต้องถวายตอนก่อนเพลถ้าหลังเพลนไปถวายของสดพระฉันไม่ได้ท่านก็ไม่รับหรือรับแล้วท่านก็ต้องสละไปตอนหลังเพลนก็ต้องถวายของแห้งแทนของใช้แทนไม่ใช่ของกิน โดยของกินที่ใช้ที่กินได้ก็เช่นพวกน้ำผลไม้พวกเป๊ปซี่โค้ก่าพวกก า, ฟกาแฟอะไรพวกนี้ชันชันได้ตอนหลังเทนก็ถวายของพวกนี้ไปแทนบุญก็มากน้อยก็อยู่ที่ทำมากหรือทำน้อยถวายกว๋วยเตี๋ยวชามเดียวก็ได้บุญน้อยกว่าคนที่ถวายสองชาม คำถามต่อไปจากคุณระพีพันธ์การถือศีลแปดกับการถือศีลอุโบสถต่างกันไหมครับไม่ต่างแล้วก็ศีลแปดเหมือนกันเองแต่ว่าเวลาถือศีลที่วัดเขาก็เรียกว่าศีลอุโบสถเพราะว่าต้องไปอยู่ในอุโบสถวัดไม่มีที่อยู่ให้อุบาสกอุบาสิกาก็เลยให้ไปอยู่ที่โบสถ์แทนให้ไปปฏิบัติธรรมที่โบสถ์นั่งสมาธิที่โบสถ์ฟังเทศฟังธรรมที่โบสถ์เสร็จแล้วก็นอนที่โบสถ์ ก็เลยเรียกว่าอุโบสถศีลคำว่าโบวถก็คืออุโบสถไปถือศีลแปดในโบทก็เรียกว่าอุโบสถศีลถ้าไปถือศีลแปดที่อื่นก็เรียกว่าศีลเป็นศีลแปดไปหมดแล้วเละโอเคก็พอดีกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัต